รีสอร์ตงานสัมมนาสยองที่นครนายกสัมผัสสยองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแนนครั้งเมื่อได้ไปพักยังรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครนายกด้วยที่ใครก็คงรู้ว่าแถวๆนครนายกจะมีรีสอร์ตอยู่เยอะมากเพราะอากาศดีวิวสวยเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ไปสัมมนาเป็นหมู่คณะแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับคณะสัมมนาของแน่ขนขณะที่พักในรีสอร์ตแห่งหนึ่งแน่นและคณะเดินทางไปสัมมนาปกติ เหมือนทุกครั้งที่เคยไปแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะได้เจอกับสิ่งลึกลับกันแทบทุกคนก่อนจะจัดสัมมนากลุ่มคนจัดก็เลือกสถานที่กันอยู่หลายแห่งแต่สุดท้ายทางคณะก็เลือกรีสอร์ทที่แสนจะธรรมชาติและเงียบสงบแห่งนี้ภาพบรรยากาศของรีสอร์ทในเว็บไซต์เป็นไปอย่างสวยงามดูดีน่าเข้าพักมาก จึงตกลงทำการจองห้องพักห้องสัมมนาระบุวันและจำนวนคนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถึงวันที่จะเดินทางเราบุคลากรที่จะไปด้วยก็มาขึ้นรถบัตรตามนัดกันอย่างพร้อมเพรียงทุกคนหน้าตาสดชื่นแจ่มใสครบเครื่องทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเพราะหมอกเดินทางในยามเช้าระหว่างทางบนรถก็ยังสนุกสนานเฮฮา แต่เมื่อรถมาถึงทางที่จะเข้าไปในรีสอร์ททุกคนบนรถก็เงียบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทางเข้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างทางประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กสนิมเกาะกรังเสมือนว่าไม่ได้เปิดใช้งานมานานมากแล้วและมีป้ายชื่อรีสอร์ทติดอยู่ที่ด้านบนเมื่อรถบัสไปถึงหน้าประตูคนขับก็จอดรถเพื่อรอคนมาเปิด รอไปได้ประมาณ20นาทีก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเปิดให้รถบัสจึงวิ่งต่อไประหว่างทางที่รถวิ่งมาตามทางเข้าก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั้งสองข้างทางพื้นที่บริเวณ น, นั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาพอขับเข้าไปประมาณสองสามกิโลเมตรก็ถึงที่พักทุกอย่างเงียบสงัด ไม่ว่าจะเป็นคนบนรถบัสหรือสถานที่พักแนนแปลกใจมากรีสอร์ทเงียบเหมือนไม่มีคนมาพักเลยมีคณะของเธอบนรถบัสเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นแล้วทุกคนก็ทยอยเดินลงจากรถจนกระทั่งทุกคนลงมาจากรถหมดแล้วแต่พนักงานตอนรับก็ยังไม่มาต้องรออีกสักพักใหญ่ กว่าจะมีคนมาแล้วพาเข้าไปยังแผนกต้อนรับทุกคนที่ไปพูดเป็นเสียงกันเดียวเลยว่าที่นี่น่ากลัวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากคิดว่าคงไม่ใช่ช่วงเทศกาลคนก็เลยไม่มาพักกันและน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนกันทุกรีสอร์ตก็เป็นได้พนักงานเดินมาแจกกุญแจห้องพัก ซึ่งสามารถอยู่ได้สี่คนต่อหนึ่งห้องห้องพักที่นี่เป็นไม้ทั้งหมดยกเว้นตรงแผนกต้อนรับที่เป็นตึกปูนห้าชั้นเมื่อได้กุญแจห้องแล้วตั้งคนก็แยกย้ายกันเอาสัมภาระไปเก็บระหว่างทางที่เดินไปห้องพักมีต้นไม้เก่าแก่ต้นใหญ่มากเป็นต้นจำปีจำป่าต้นไม้โบราณต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมในตอนกลางคืน พอแนนและเพื่อนๆ เ, เก็บของในห้องพักเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งพูดกันถึงที่พักว่าทำไมบรรยากาศมันถึงน่ากลัวแบบนี้สักพักก็มีพี่คนหนึ่งนึกเล่นพีเรนเอาเส้นผมมาปิดหน้าปิดตาแล้วให้เพื่อนถ่ายรูปไว้ให้ดูน่ากลัวตั้งใจว่าจะไว้แกล้งคนอื่นๆพอเพื่อนถ่ายเสร็จก็เอารูปมาดู ปรากฏว่ารูปที่ออกมาทั้งหมดมีลักษณะเหมือนผีจริงๆมันเหมือนมากจนพี่คนที่เป็นตากรองรู้สึกกลัวตัดสินใจลบรูปทั้งหมดทิ้งไปแต่ไม่ได้บอกใครบอกเพียงแต่ว่าทายไม่สวยจึงลบออกหมดแล้วพอถึงช่วงเย็นทุกคนก็มาพร้อมกันที่ห้องอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ส่วนใหญ่จะกลับห้องกันหมดเพราะยิ่งมืดยิงวังเวงมากมีพี่คนหนึ่งระหว่างกลับห้องเขาเดินผ่านต้นจำปีก็เห็นดอกอยู่เต็มต้นและกลิ่นของมันก็หอมมากจึงคิดว่าเจ้ากลับห้องด้วยสักหนึ่งดอกเขามองเห็นดอกที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นจึงก้มหยิบดอกนั้นขึ้นมาทัานใดนั้น ใส่ผ้าที่แขวนอยู่ก็ขาดหลุดออกจากคอร่วงล่นไปกองอยู่ที่พื้นพันทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวพี่เขาก็เลยวางดอกจำปีไว้ที่เดิมหยิบพระแล้วรีบกลับห้องไปโดยไม่ได้บอกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครทั้งสิน้นเวลาที่แนนเลยเพื่อนๆไปสัมมนากันที่ไหนยามค่ำคืนก็จะไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันสักเท่าไหร่ เราจะมีกิจกรรมรับสมองตั้งวงเล่นไพ่กันเป็นประจำครั้งนี้ก็เช่นกันพวกเรารวมตัวในห้องกันเกือบสิบคนได้แรกๆก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเล่นไปเล่นมาพอยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบรหว่างที่เล่นกันอยู่พวกแนนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากพิดานห้องมันคล้ายกับเสียงคนลากวี เสียงคนพูดคุยกันแต่เป็นภาษาที่แนนและเพื่อนๆไม่เข้าใจเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยแล้วสักพักมันก็หายไปในความเงียบนั่นเองทุกคนก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้อง <c oughs> แน่นจึงแอบดูตรงช่องตามแมวแต่ก็ไม่เห็นใครทุกคนระแวง ไม่มีใครกล้าเปิดประตูออกไปดูสักพักก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าห้องไปคนที่มาจากห้องอื่นกลัวจนไม่กล้ากลับไปนอนที่ห้องของตัวเองคืนนั้นจึงนอนห้องเดียวกันหมด10ิบกว่าคนเช้ามาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ห้องสัมมนาเพื่ออบรมแต่ละคนเข้าห้องได้สภาพเดียวกันขอบตาดำ ใบหน้าอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนกันทั้งคืนแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยการสัมมนาเสร็จไปอย่างรวดเร็วทางรีสอร์ทได้มีการแนะนํากิจกรรมในรีสอร์ทเช่นล่องแก่งเล่นน้ำตกและอีกหลายๆอย่างแต่ก็ไม่มีใครร่วมกิจกรรมใดๆทั้งสิน้นอยู่ๆก็มีคนเสนอขึ้นว่าในเมื่อสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับเลยก็แล้วกันจะได้ถึงบ้านไม่ดึกมากทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยระหว่างที่เดินทางกลับไม่มีใครพูดหรือถามอะไรเกี่ยวกับรีสอร์ทเลยแม้แต่คนเดียวบรรยากาศบนรถเงียบสนิทเพราะทุกคนนอนหลับกันหมดและได้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคน วันรุ่งคืนทุกคนก็มาทำงานกันปกติแต่ก็แทบไม่ได้ทำงานเพราะจับกลุ่มคุยถึงเรื่องที่แต่ละคนเจอในรีสอร์ทถามไปถามมาก็เจอเหตุการณ์ประหลาดกันแทบทุกห้องบางคนเล่าว่าเห็นวิ ญ, ญญาณมาเป็นเงาดำๆแล้วดึงขาเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคนก็ได้ยินไปเสียงร้องหวยหวน หรือไม่ก็เป็นเสียงตามมุมต่างๆของห้องทั้งๆที่ในบริเวณนั้นไม่น่าจะมีเสียงเกิดขึ้นได้บางคนรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภาวางังได้ยินเสียงเหมือนอยู่ท่ามกลางสนามรบยุคโบราณบางคนโดนชวนไปอยู่ด้วยก็มีบางคนก็เห็นเงาดํามานั่งอยู่ปลายเตียงแต่ละคนถูกหลอกไปต่างๆนานาแล้วก็หลอนไปตามๆกัน ทำเมาขวัญผวากันไปหมดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ผ่านมาห้าปีแล้วแนนและเพื่อนๆยังจำรีสอร์ทนั้นได้ไม่เคยลืมจำเรื่องดาวเหตุการณ์และความรู้สึกในตอนนั้นได้อย่างชัดเจนถ้าใครที่กำลังจะไปภากรีสอร์ทก็ศึกษาสถานที่และดูให้ดีๆเสียก่อนอย่าหลงเชื่อ เพียงแค่รูปภาพที่เห็นในเว็บไซต์ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูรีวิวของคนที่ได้เคยไปเที่ยวยังสถานที่แห่งนั้นด้วยจะได้ไม่ต้องเจอกับเรื่องราวน่าขนลุกเหมือนที่แนนกับเพื่อนๆได้พบเจอ สมผัสสยอง